ที่มันต้องทําในรูปแบบว่าเหยียดทีในตัวกลมอะไรเงี้ยเด็กในตัวกลมทําสมาธิในทำแบบฝึกอยู่ในรูปแบบแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปถ้าเราหัดสังเกตสภาวะทุกวันไม่ทอดทิ้งเวลาเราอยู่ในชีวิตประจวันอสภาวะเกิดสติเกิดเร็ว ถ้าเราทิ้งการทําในรูปแบบคล้ายๆนักมวยนะไม่หัดซ้อมโชคอะเนี่ยก็จะขึ้นเลยตีโชคนะมันก็ง้างหมัดอยู่นั่นแหะชคไม่ออกสติมันก็ไม่ค่อยเกิดนั่นรบก็มันต้องอยู่ด้านในตัวเองอย่างคนมาบวชเป็นพระนั้นจะมีข้อบัดปฏิบัติเวลานี้ทันนี้ไม่ได้ทำนี้ขี้เกียจไม่ได้ที่เราอยู่บ้านไม่มีใครบังคับเรากุทตัวเอง ถึงเวลานี้เปนเวลาภาวน า, มมาทำธมมรมะท้เพาะธรมรมะธรรมะธรรมะธรอมะธรรมะธรรมะธรรมะมะธรมะธรรมะธรรมะธรรมไธรมะธรรมะธรรมะมะธรรมะระธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะธรมะธรรกะธรรมะธรรมะธรรมะธรรม่ธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะธรมะธมะธรรมะธรรมมะธมะร เรคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเราคิดถึงทานที่เราทําคิดถึงศีลที่เราทําเนะเราแห่อาหารหมาอา ห, หาแมวอะไรพลานเลยนนะแค่เราเรามีความตึกขึ้นนะคืความตึกรู้ว่ามีความตึกจิตใจมันได้ผ่อนคลายถ้าทำได้ไม่ยากอะไรหรอกเราเรียนไปวาดภาพกรมฐานากันน่าเกินเราต้องทำให้ถึงชานไปเลยทัได้แล้วก็ <c oughs> <c oughs> เห็นคนยกมีดถึงฉากติดมีดไม่มากกนนี่มันไม่ใช่ง่ายนะทำอย่างรู้ลมหนใจนทีแรกเขารู้ตัวลมหนใจตัวลมหนใจเรียกว่าบริกรรมิมิตรู้ลมหนใจไปรูไปไปไ้ไปรู้ไปมันจะเห็นลมหายใจได้เป็นแสงส่างเพราะว่าอาหารหมีดแล้วก็ใช้ตัวอาหารหมิตเป็นอารมณ์แทนตัวลมหายใจเลยดูความสว่างของมัน ดูไปดูไปเป็นรวงเป็นรวงเป็นรวงสว่างย่อได้ขยายได้เพื่อปฏิภาณโยนิยังไม่เกิดชานเลยนะเนี่ยแค่นี้มันก็ไม่ค่อยมีนะบางสำนักก็เล่นวิธีขี้โกหน่อยเอาสป่าไลท์สองหน้าให้มันสว่างที่จริงทําไมมันสว่างแู้ไหมมาทำจิตเป็นสมาธิแล้วทำไมมันสว่างทําไมมันรู้สึกว่าสว่าง มันมีงานวิจัยอันนึงฝรั่งนะมันทบนะมันเปชนเาพวกลามาร์ิเบตมาฉีดสารกัมมันตรังสีก็ไป น, นิ่งๆฉีดนิ่เดียวนะฉีดเดยอะเดียเด๋ยวเป็นมเร็านิ้เดียวเข้าเลือดแล้วก็ให้พวกรามาเข้าสมาธิไดแล้วก็ไปตรวจเลือดไปเรืเยเช็คเพราะว่าใเวลาที่จิตรวมแล้วรามาร์บอกว่าจิตสวางสบายอะไรเลือดัดนมเลเี้ยงสมองเกนมาสมองตัวนที่เป็นสมองของมนุษย์ เมองเป็นกลางของพวกอิเล right, we we ็กท์พลังต้คอารสมองสมองของกันและกันเี่นคนที่อารมณ์ร้ายเรื่อยๆสมองส่วนดีที่ไม่ได้ใช้งานยิ่งแก่ยิ่งร้ายคนที่ฝึกไปนะยิ่งแก่ยิ่งผ่องใสสมองส่วนนี่ใช้บ่อยส่วนอื่นก็ใช้ร้อยแบบนี้ทีนงก็พออธิบายได้ไม่ใช่ลึกลับอะไรทั้ง ไม่เร่าตสคเาอ่าั้นนาทีสองนาทีดูอดู่มอับ เือ ม, มันมีามสางใจเรื่เราต้องต้อมทุกวัน่ยมันจะได้รู้สึงมันเองถ้าจงใจรู้มันจะเล่นเล่นไม่สบายเอ อ, อยังไม่ใช่ได้งั้าจงใจไปก่อนอว่ารู้ทีหลังอย่างนี้ใช่ได้คืออยากรู้ไปก่อนมีตัณหาถ้าหนนเปรตฝรั่มีตัณหาจะรักตัณหา มีมานเวื่ามานะมีจิตจิตเพรับจิตจิตอย่างนใช้ได้แล้วก็จงใจปฏิบัติก่อนต่รู้ว่าจงใจอยู่ตอนเ่คลายออกมันก็ดีถ้าเริ่มต้นจะทําให้พอดีอพอคลายออกเลยหย่อนไปเลยเริ่มต้นตึงนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าไปคิดว่าถ้าบังคับไปตลอดหรู้เสื อ, ต, นนอตลอดแล้วจะทําให้บรรลุอันนี้ก็ใจผิดอย่างนี้มีปัญหาถ้าเริ่มต้นบังคับนิดนิดหน่อยหนึ่งมันคลายออกมันใช้ได้ ที่เราชอบไปบังคับมันคิดว่าถ้ารหารคือคนที่บังคับจิตได้จิตไม่เที่ยงทำให้เที่ยงจิตเป็นทุกข์ทำให้เป็นสุขจิตเป็นอนัตตาทำให้เป็นอตตาบังคับไม่ได้เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงธรรมะมันบอกไวแล้วธรรมะคือความจริงความจริงของรูปของนามคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายังไงก็ต้องไม่เที่ยงต้องเป็นทุกข์ต้องเป็นอนัตตาแต่เราเข้าใจความจริงจิตใจของเราคล้อยตามความจริงหรือคล้อยตามสัณหา ใจไม่ฝืนสัจจะก็คือความจริงใจยังชอบฝืนธรรมแท้ๆฉะ้นก่อนที่อริยะมรรคจะเกิดจะมีญาณอยู่ตัวหนึ่งเรียกสักจจะหรือโลนิกายยังคลายตามสัจจะคล้ทําความจริงเห็นรูปเห็นนามและเออเป็นอีกเลยไม่ไปต้านนะแต่ก่อนหน้านั้นอดต้านไม่ได้นะไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงเป็นทุกขอยากให้สุขมันขําไม่ได้อยากมันขับมันไม่ได้ คิดว่าถ้าบังคับมันได้หรือว่าเฝิดให้มันสุขถาวรได้จะเป็นพระอรหันต์ความถาวรผัดกับอนิจจังขัดกับทุกขังกันบังคับไม่ได้ที่ก็ทําได้ขาดหน้าตาเรียนเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อเอาชนะความจริง้คนรุ่นหลังๆนี่จิตใจชักข้าวหามถูกสอนมาให้เอาชนะธรรมชาติอย่ามาชนะนะจะไม่เห็นไม่ชนะชั่วที เราเปนอยากไปเรื่อยมันได้อย่างนี้นั่นมันเกิดผลจะพบอีกเยอะแยะเกิดผลจะกบไปตามแก้ผลจะพบแต่ละตัวทําเกิดผลจะกบอีกนิดเป็นงูกินหางไปเรื่อยทุกวันนี้พลีพวกเยอะไปใช้ทรัพยากรเยอะไปอยากจะ็นครอบครอโลกโลกพลนพวกไม่มากจะดีฝลั่งแล้วก็เกิดผลเสียได้เยะ ตามแก้กันด้กันเอาอย่างในหวงนัทพอเพียงสาบน้าใมยเราดีสบายขุ้นสติเกเองไหมเรื่องตื่นไปตื่นมสติเกิดเองใจนี่จะโล่งโด่งว่างนะสบายแล้วก็เห็นลยแต่ละวันมีแต่ความไม่เที่ยงซึกงจิตใจทางานทั้งวันทั้งคืน จิตใจทางานทั้งวันเรื่องคืองแไรความไม่คงที่ให้ดูตลอดเวลารู้สึไกไว้บังคับมันไม่ได้บางครั้งขอคุณเออหรือทุกใช่ใช่มอยากก็ต้องได้เกิดความทุกข์ที่เกิดงความทุกข์เนี่ยคนเราเข้าใจไม่เหมือนกันคนทั่วทั่วไปคิดว่าความไม่สมอยากมันไม่ทุกข์นะแต่เราอยากได้อะไรเราได้มาเนี่ยถือว่าไม่ทุกข์คนทั่วทั่วไปมอง นักปฏิบัติเห็นว่าถ้าเมื่อไรอยากมันนั้นทุกข์มอกไหมเมื่อไรอยากมันนั้นทุกข์นักปฏิบัติจะมองเห็นเต็มตรงนี้จนไปชาวบ้านทั่วๆไปชาวบ้านทั่วๆไปเห็นว่าถ้ามีความอยากมันไม่ทุกข์หรอกแต่ถ้าไม่สมอยากมันจะทุกข์นักปฏิบัติเห็นว่าแค่มีความอยากก็มีความทุกข์แล้วถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์ฝึกไปเรื่อยนั้นถึงจุดหนึ่งจะพบอีกอย่างจะอยากหรือไม่อยากหันห้าก็เป็นทุกข์เดยตัวของมันเอง ถ้าเลยเริ่มจากตัวทุกเวลาเรียนริยสั์คันธห้าเป็นเติดทุกถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งปันหาหรือสมุทัยก็จะหายไปเองดับไปเองปัญหาคือความอยากที่จะให้ขันธห้านี้มันเที่ยงเลยอยากให้ขันธห้ามันเป็นสุขอยากบังคับมันให้ได้มันเป็นความอยากที่ไรเ้เดียงสาบั อ, อ, อกไหมจิตเองมีสองชนิดจิต ท, ที่ปูกความอยากถูกความแยกครอบกับมีความทุกข์ จิตที่ไม่อยากไม่ยึดไม่ถูกข์รู้ไหมมีสองอันอันนี้เรายังไม่แจ้งอ ร, ริยสัจฝึกไปอีกนะดี่มาได้ค้อตา่างแล้วึกไปรเรื่อยถึงจุดหนึ่งปัญญาจแจ่มแจ้งจริงจิตจิตที่ตัวทุกข์นะจะอยากหรือไม่อยากจะยึดหือไม่ยึดปัญหาเป็นผู้ข์เคยตัวของมันอยู่เห็นว่าปัญหาเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์ปังทุกข์ปังก็ทุกข์ล้วนๆจิตจะปล่อยวาง ถ้าระดัใดที่มันยังเห็นว่าจิตมีทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าอยากให้ยึงแล้วทุกข์ไม่อยากไม่ยึงไม่ไทุกข์มันจะวิ่งหาความสุขหรือเปล่าไหมันจะไม่เลิกหรอกมันไม่ปล่อยวางมันยังมีทางเลือกระดับใดที่ยังมีทางเลือกเราจะเลือกเอาสุขไว้ก่อนแต่ปล่อยวางไม่ได้เด็ดขาดเลยจะ ป, ปล่อยวางได้มเมื่อแบบทุกข์มันซ้อมจนหลังชนกํนแกาแพงแล้วนะแบบต้องตายแน่นอนเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยจิตจึงเรียบหล่อย แต่ไม่ใช่แกล้งภาวนาให้ทุกนะแล้งภาวนาให้ทุกมันใช้ไม่ได้พดเพแตะนัาาา้นมันตุกเวทนาถ้าเมื่อไรเด็นขันขึนุกหรือมันทิ้งทันทีเลยวางเองแล้วมีแต่ความสุขแล้วคำธารมะใครสุข ไ, ไม่มคนสุขนะย็งที่พ่านยังไม่มีเจ้าของของคนผู้หญิงเป็นไงท้องอะไรวัดละก้าวเปก้าว น้องเบอร์างอะไรย่างนี้ใช้ได้เรื่องว่าถุนี้ใช้ไิธีที่สติจะเกิดบ่อยๆก็คือต้องการรู้สภาวะวิธีการรู้สภาวะก็คือแรกต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่อันหนึ่งเครื่องอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมที่ได้อันหนึ่งมีเครื่องอยู่เช่นรู้ลมหายใจตอนนี้ชอบลมหายใจรู้ลมหายใจไปทาไม่ถนัดนลมหายใจเราอยู่ในอะไรก็ได้นะอันหนึ่งจะอยู่แล้วไปสังเกตใจ จิตใจเดี๋ยวก็วิ่งไปเดี๋ยวก็ไปเพ่งเดี๋ยวสูงเดี๋ยวตูปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสังเกตจใจไปเรื่อยพอสังเกตจิตใจได้อย่างนี้บ่อยๆจิตมันจําได้หรือเป็นอย่างนี้เพ่งเป็นอย่างนี้โลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้สงสัยหดหูเป็นอย่างนี้พอมันรู้จักนะสภาวะนั้นเกิดสติจะเกิเองแต่ถ้าจิตยังจําสภาวะไม่ได้พอสภาวะอะไรเกิดขึ้นมาจิตจะถูกหลอกลวงจะถูกหลอกวง เช่นความสงสัยเกิดขึ้นจิตจะไปวิ่งคิดหาคําตอบเป็นไหมเวลาสงสัยปฏิบัติเนี้ยอย่างนี้ถูกหรือผิดนะวิ่งไปคิดหาคําตอบเวลาเราโปรดใครสักคนเราก็ไปคิดถึงคนที่เราโปรธเวลาเรารักใครสักคนเราก็คิดถึงคนที่เรารักความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมามันแต่รักให้เราลืมตัวเองทั้งหมดเลยนั้นถ้าความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยหันรู้ไแปบบอย่าไปคิดมาก ไม่ต้องไปหาคำตอบนะโงโง่ไว้ก่อนไม่ต้องกลัวโง่นะปฏิบัติโง่โง่ไว้ก็นี้หันรู้สภาวงไปซื่อซื่อรู้แบบเด็กไร้เดียงสาดีที่สุดนะรู้ไปอย่างเด็กซื่อซือเลยใจมันสงสัยรู้ว่าสงสัยไม่ต้องไปตัวโง่แล้วไปหาคำตอบให้มันใจมันอยากโง่เป็เลือกของมันไม่ใเรื่องของเรานอะเราจะเรียนจนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เรียนจนกระทังให้มันเก่งอย่างว่าอย่างนี้จิตใจของเด็กเด็กดีที่สุด นั in been, oming, ่นแหละธรรมะจิตไม่เที่ยงหรืออกไหมไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นแหละธรรมะเราไม่เอาธรรมะเราอยากให้เพี่ยงจิตมันมีทุกข์บ้างสุขบ้างเราอยากให้สุขตลอดจิตเป็นของบังคับไม่ได้เราอยากบังคับให้ได้ความอยากของเราคืนธรรมะธรรมะคือความจริงเรากำลังปฏิเสธความจริงใจเราไม่เข้าถึงความจริงเข้าถึงธรรมะแท้ๆไม่ได้ ให้ค hey, hey, ah e okay, ่อยดูการที่คุณเห็นว่าเจ็ดทํางานทั้งวันทั้งคืนน่แต่ดีแล้วอดเแี้ยอย่าไปให้มันหยุดนะไม่ใช่ว่ามันต้องหยุดแล้วถึงจะดีได้เลยระวังด้วยก็คพิษตามันอยู่ในสัตพ์ชัญนย่ามปะบักของกายานิสสนากระพิษตาก็รู้สึกกระพิษตาแล้วรู้สึกแต่ระวังมันจะเกรงเกินไป เห็นไหมวากระติบมากๆในใจมันจะมาจ่ออยู่ข้างหน้านัอย่างนี้ต้องงงหน่้องงาาองห่อยทากรรมฐานแล้วนะชี้ทางทางหัวเราหน่อยนะสบายเสร็จแล้วเราจะเห็นเลยอารมณ์อยู่นี่นั่นใจยอยู่นี่มันอย่างนี้สบายนะถ้ามาคิดๆอย่างเหมือนเราเอาหน้าเราไปคิดกําแพงอย่างนี้นะไม่ค่อยสบายสามารถติดต า, าได้ไม่ได้แต่ไม่สบายมันหน้าส้มกําแพงไหมสบาย อย่างรู้ mm hmm. ลมหายใจนะั้นจะมารู้อยู่บนจมูกนะยิงตึงๆหน่อยถนะ้ามารู้ลึกๆ้งสงบจริงไปรู้ที่ท้องห่างๆนสะสบายไม่อย่าห่างจนเลยกลัวเราเองออกไปไม่ใช่หายใจไปแล้ ว, ลวเระลึกอยู่บนคืนทําได้เหมือนกันนะคร mm hmm. ูบาอาจารย์อาจารย์มหาบัวเคยฟังท่านพูดท่านบอกว่าตอนท่านเป็นโรคหัวใจหมอจีทำยาให้กินยานั้นนะเหม็นเหม็น ทังเห็นท้ผมเนียท่านบอกเวลาท่านจะฉัญญานี่นะท่านตัดจิตไปไว้บนขื่อไอ้คนนี้ทนะ่าฉันสบายแต่นี่เป็นผลของธมรมะครูบาอาจารย์ท่านนี้ชํานาญเรื่องสมาธิเรื่อง ร, องรท่านชํานาญท่านปริ้แปลงได้ตามใจชอบแต่ท่านไม่ได้ทำให้ความยึดติดอะไรหรอกแต่ท่านก็ไม่เห็นความจาเป็นที่ต้องเป็นพรมานทนทนไม่ได้นะ ถ้าคนได้ดูลไปเข้าไปจะนด้เหมาะสำหรับคนที่ยังเดินทางอยู่ดูตายเบอร์เจ็ดสิบเก้ารู้จักใจ้อยเยังดีนี่บอกว่าหัดยงหัดใส่ใจเอใจรุ่นนวนคืวเไว้ใจเรแข็งแข็งๆยดูไปนะมีแต่ของไป่เที่ยงคอดูไปหายใจไปแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของใจคืออย่างนี้นะ ต่อไปเวลาเราไม่ได้เปิดใจเราอยู่ในชีวิตประจำวันตาเรามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนนิดเดียวนะสติจะเปิดเองจะเห็นแล้วเราก็จะเห็นเลยจิตนี้เปลี่ยนแปลงทั้งวันเหมือนที่คุณเสื้อเหลืองนั่งบอกคุณพระดาจิตมันเป็นทั้งวันพระดาหรือพระระดนนะพะดาหลังกดพูดถึงพระระดอนบ่อยๆเลยพะโอ๋นักปุรน เลอะจริงๆเห็นทุกคดีนะทุกคดีเห็นว่ามีแต่สุกในอาการหนักนะสุกกลายเป็นภาพวนตาหันกลาเป็นรถตุ๊กเราตั้งใจเยอะก็ฟุ้เยอะเลย ่ทุกที่หลวงพ่องกว่าเห็นดีเนี่ยไม่ใช่ทุกจากการที่เราไปเครียดจากการปฏิบัตินะทุกอันั้นทุกสร้างขึ้นเองจการที่เราเห็นหน้าตาแต่ทุกเข้าเชิญเชิญไปข้างในเลยจากไหนอาหารนเอาหรที่ม่ตยิงปุกก็คือลบากะเห็นเราสงสารซ้อมีการซ่องทารับท้าบกามปิบัติโดยเขาไปอยู่ฝั่งได้ วันหนึ่งกูบ้าอาอาฆามผูินธบอาหารเข้ามาลํามหาล้อมลังคื่นเช้เกือบจะตื่นวัดพักโทตะโนเฮ้ยผิดวัดจะต้องไปอารักษาช า, าบวันโนดชาววันโจะถูกเข้าจงศีลวันนั้นไม่รู้ถูกจงศีลไปหรือเปล่าไม่มีคนรับขาไมารักษาวันน <laughs> ีพวกจงสีไม่มาหนะ้ตาตนะุกตาลำบาก ต้องไงคุณอมรไม่ต้องทำอะไรู้ไปด้เลยนะรู้ไปอย่างที่มันเป็นรู้เรื่อยๆบ่อยๆที่ทาอยู่ใช้ได้คที่ยูม่เปดนมอ้อานีก็ตีทสุดอาหน้้ส เออจะดีนะถ้าารมคัที่รวาเราหน้านดูแต่หน้าึ้น่น้าดยนมถ้ามีหน้าที่แต่งก็แต่งไปคือจริงๆเราพองศาสณาศาสนาพูดเหมือนกัน ชาวพุทธเขาทำตัวจนที่สุดโสมที่สุดอะไรเงี้ยคนหนึ่งเขาก็ไม่อยากมาเป็นชาวพุทธนะไอ้ชาวพุทธต้องโฆษณาต้องมีความสุขโาวนาแล้วมีความสุขเป็นจุดขายได้นะใครใครเข้าใกล้เราก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยอย่างงี้ดีเขาจะได้อยากปฏิบัติถ้าเข้าใกล้เราแล้วก็เต็มไปด้วยความเครียด น, นะที่ใครก็อยากปฏิบัติยิ่งถ้าทำตาลอยทั้งวันนะเดินใครเขาอยาเข้าใกล้อ่ะ เหนว่าหน้ากลัวแล้วเห็นหลวงพ่อดูก็ต้องระวังแล้วนะเดี๋ยวมันดกกัดงั้นชาวพุทธไม่จะเปลี่ยนต้องทงําตรงโตมมีหน้าที่เราก็รู้ว่านี่มันแต่งนี่มันหลอกแต่งหลอกหลอกไปตามหน้าที่อยากปฏิบัตินะ่ะต้องรู้ก่อนเคาว่าปฏิบัติแปลว่าอะไรปฏิบัติไม่ได้แปลว่าทำนะคนไทยแปลเองว่าปฏิบัติแปลว่าทำปฏิบัติ แล้วเข้าไปเห็นเฉพาะเข้าไปรู้เฉพาะเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหมายถึงเมื่อมีสติรู้อยู่เฉพาะหน้าเรื่อยๆรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วคือการบังคับตัวเองไม่ใช่ปฏิบัตินั่นการเก็บกดการบังคับตัวเองชาพุทธไม่ใช่พวกเก็บกดนะแต่ทั้งกิเลสเกิดยังไม่ว่ามันเลยแต่กิเลยเกิดรู้ทันมันเห็นมันผุดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระกระดับเกิดระกระดับ คืออยู่ที่ไหนนะก็คือตามโมเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกาตสัมผัสใจคิดเหมือนกันหมดเลยถึงเลยไปอยู่ต่างแดนเลยก็เปลี่ยนแค่ผัสสะภายนอกรูปเปล่งสิ่งลดคนสัพพะภายนอกที่เหลือมัของติดตัวเราไปอ เ, ปเไปองตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเป็นของเก่าติดเยอะติดตัวไปเพราะฉะนั้นผัสสะอะไรเกิดขึ้นแนละให้รู้ทันใจของเราไปไปอยู่ต่างแดนก็ดูใจไว การที่เรามีสติรู้ทันใจตัวเองนะสีนสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นศีนทีถถ่เกิดขึ้นเรียกว่าอินเตียสังวรปีไม่ใช่สีห้าสีแปดนะไม่ศีห้าสีแปดสี 8, สิบอะไรเนี่ยเป็นศีลเชิงจริยธรรมแต่สีตัวนักปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าอินเตียสังวรอนินเตียสังวรไม่ใช่แปลว่าไม่ดูไม่ฟังไม่คิดไม่ใช่ ยีเยสังวรก็ต้องใช้หลักที่พระเจ้าบอกดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปเห็นนะั้นไม่ใช่ไม่เห็นไม่ใช่ว่าจงหลับตาพิสูจนทั้งหลายหลับตาไวา้ไม่ได้สอนอย่างนี้ถ้าหลับตาแล้วบรรลุเร็วคนตาบอดจะบรรลุ ก, ก่อนเราแพ่สูจน์ทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปนี่เห็นเข้าไปความยินดียินร้ายเกิดขึ้นจิต<ม>อย่าไปห้ามนะั้นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นมาให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะคอบงำา ถ้ารู้ทันปัญญาจะเกิดเมื่อกิเลสกับปัญญาเข้ามาช่องเดียวกันตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตรู้ทันก็จะเห็นในความยินดียินร้ายคือตัวนาคูตนสุขทั้งหลายเกิดระดับที่ปัญญาอยู่ตรงนี้ทุกอย่างเกิดระดับลึกสูงทั้งหลายเมื่อผู้ได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตได้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงำจิตหลักเดียวกัน อังคารทั้งหกนะเมื่อใจมันคิดใจป็นคิดบางทีก็เกิดยินดียินร้าเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลก็รู้ผ่านมันอยู่อย่างนี้แหละไม่มีในประเทศนอกประเทศนะมีแต่ว่าขาสนาจินนี้มีสติหรือศาสนาจินนี้ขาดสติมีเท่านี้แหละถ้าขาดสติก็หาผู้สเกิดก็มีสติกุศลก็เกิดกุศลบางงานก็กุศลธรรมดากุศลบางงานก็เป็นกุศลประกอบให้ปัญญา ส่วนประกอบด้วยปัญญาถึงจะดีเป็นทำวิปัสสนากุคนธรรมดาธรรมดานี่เป็นทำธรรมะเก่งๆไหยก็ดีเหมือนกันดีแบบคนดีไอ้ลอยแล้วเบอรจ็สิบเก้าทราบไหมอ่ะอย่างนี้นะมาเรียนที่หลวงพ่อนะเมื่อวานนี้มีผู้หญิงทีมหนึ่งมาเมื่อวานนี้กันสุดคุดถามนิดนึงมาเมื่อวานทีมย่วัฟคุดมาบอกว่า คนเยอะนั้นเมอันคนจะหนุ่ลวงพ่อมาเอาซีดีไปฟังนะช่วยตัวเองหน่อยแต่ตอนมาฟังหลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องฟังรู้เรื่องก็ได้คุณหาดทิศเขาสนุกดิฉันรู้แล้วว่ะฟังซีดีของหลวงพ่อไม่เหมือนมาฟังเองหรอกฟังซีดีเนี่ยฟังรู้เรื่องแต่ฟังหลวงพ่อที่มาที่นี่นะเพื่อมาหัดดูสภาวะเืงั้นมาที่นี่นะอย่าหมดต่ฟังเ่อรู้เรื่องนะมาหัดดูสภาวะ เช่นแต่เราฟังแล้วงงงรูดด้สึกไหมแต่มันงงใื้รูว่างงอ้าดูสภาวะถ้าดูสภาวะเป็นปฏิบัตกิกรรมฐานเป็นถ้าดูสภาวะไม่เป็นเนี่ยปฏิบัติไม่ได้จริงได้แต่สมถะมนันปฏิบัติส่วนมากตดิดสัมปชัญะใช่ไหมเพมิ่นกำลงเลยรู้สึกหมถ้าเรียนสภาวะนะเมื่อสี่ทำอะไรแล้วหลงไปแล้วนะรไม่เป็นไรคนนี้ใช่ได้แล้ว จิแใจรุ่มนวลอ่อนโยนรู้ตื่นขึ้นมาเยอะนะรู้สึกไหมมันสงบงประกอบใช่ไหมมันสอนส ม, มารา์ทเราแต่อย่าบังคับเช่นเคยมันคับไม่ได้หรอกเมื่อฟังหลวงพ่อพูดฟั ง, งเพื่อหัดสังเกตสภาวะแต่ไปคิดอีกแล้วทราบไหมในเจ็ดสิบเก้าหัดดูสภาวะนะ จิตมันจําสภาวะได้สติจะเกิดก็ไม่หลวงพ่อชอบไล่จี้ตอนเผลอหลวงพ อ, อยากให้จําสภาวะเผลอได้เผลอไปคิดนี่แหละตัดีทำไมอยากให้จําสภาวะตัวนี้เป็นพิเศษเพราะสภาวะเผลอไปคิดไม่เป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดเราเราแยกแยๆเราบิดเบออี้ยวในสภาวะธรรมทัท้งหลายกุศลกับอกุศลสังเกตไหมหากกุศลเกิดบ่อยกุศลเกิดน้อยนะ ถ้าภาวนาเป็นจะรู้เลยจิตของเราส่วนมากจะเป็นอัตุส่วนแต่ถ้าดูไม่เป็นภาวนาไม่เป็นจะรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยเป็นช่างใจบุญใจกุศลซะเกินเหล่านี้ช่างดีซะเกินแต่ถ้าภาวนาเป็นจะรู้เลยนางแม่มดตัวจริงอยู่ที่ไหนใช่ไหมก็้ายมันหมอหรือบอกไว้ตัวจริงเลยนะตัวจริงคืออัตุส่นเกินบ่อยอัตุส่นก็มีโรคหลงโลงเกิดใว้ท่ส่วน ก็หลงเนี่ยเกิดเดี่ยวๆก็ได้เกิดตัวคนเดียวนะเช่นนั่งใจลอยเลื่อนลอยไปไม่รู้กายไม่รู้ใจเรียกหลงหรือคิดโล้คิดนี่ไปในเรียกหลงส่วนความโลภความโกรธเนี่ยเกิดตามหลังความหลงไว้ติ้ความโลภกับความโกรธเนี่ยจะไม่เกิดเดี่ยวๆต้องเกิดร่วมกับความหลงเสมอเพราะฉะนั้นเวลามีความโลภในขณะนั้นต้องหลงด้วยเวลามีความโกรธในขณะนั้นต้องหลงด้วย ความโลภกับความโกรธไม่เก the ิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันไม่ได้แต่ความโลภเกิดพร้อมกับความหลงได้ความโกรธเกิดพร้อมกับความหลงได้ความหลงเกิดเดี่ยวเดี่ยวได้ดังนั้นหลงนี่มีมากที่สุดหลงมีบกแบบหลงไปทางตาหลงไปดูหลงไปทางหูหลงไปฟังเวลาเราไปดูอะไรเราก็หลงตัวเองเวลาเราไปฟังอะไรเราก็หลงตัวเองเวลาเราได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทางกายเราก็จะหลงตัวเอง เช็นย so the ุงมากัดเราแล้วเขมาดูยุงในโมโหมันนะเห็นแต่ยุงลืมรู้ว่าใจเรากำลังโสดอยู่เพราว่าเราลืมตัวเราเองเั่งตาหูจมูกลิ้งกายกระทบอารมณ์เราลืมเลยนั่งอยู่คนเดียวก็นั่งคิดไปรู้เรื่องที่คิดแต่มันก็ลืมกายลืมใจมึงออกไหมเหตุขนาดนี้ยนีไปคิดใช่ไหมเมื่อกลี้ยแวบแต่เกี้ยพอมันไปคิดรู้สึกไหมมันลืมกายลืมใจ มีกายเหมือนไม่มีนั่งไปยับหน้าไปเรื่อยแต่ไม่รู้หรอกมีใจก็เหมือนไม่มีใจกําลังคิดอยู่ไม่รู้เรียกว่าเราไม่รู้กายไม่รู้ใจเรียกว่าหลงนั่งอยู่คนเดียวเราก็คิดไปบางทีก็รู้เรื่องที่คิดบางทีไม่รู้เรื่องที่คิดเรีย่หลงหลงอะไรเกิดบ่อยที่สุดหลงคิดเกิดบ่อยที่สุดเมื่อหลงคิดนี่ยหลงได้เป็นวันวันหลงดูหลงฟังหลงได้กลิ่นได้รสอันนี้เรียกว่าหลงไปอย่างนั้น ความจริงก็คือหลงทางใจเท่านั้นพอหลงไปดูนั้นใจก็ไปคิดต่อก็ไปหลงคิดหลงไปฟังใจก็คิดต่อแท้จริงแล้วตรงที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลินล้นได้รสกายสัมพันธไม่มีปุตตะปุตสนอะไรมันทํางานอัตโนมัติเองจิตที่ไปรั่วรองทางต่า ง, างหูจมูกลิ้นกายเรียกจิตที่เกิดด้วยอุบัติเหตุ ม, มีคำประหลาดเลยนะเรียกว่าเกิดด้วยอุบัติเหตุ คือเกิดขึ้นไปอย่างนั้นนะไม่ได้เกิดเพราะว่ามีราคะโกตรธโมหะหรือกุศลใดๆฝักดาลรู้สึกไหมใจหมีแวบแวบแวบหลุดออกไหมเนี่ยหัดดูนะมาที่นี่มาเรียนเรื่องสภาวะไม่ได้เรียนเรื่องอื่นหรอกเสื้อสีชมพูเบอร์ห้าสิบเอ่ดกาลังทําอะไรอยู่กําลังหลงฟังอยู่รู้สึกไหมขณะนั้นเราดึมตัวเราเองหลุดออกไหมเนี่ยเรียนที่นี่นะหัดดูสภาวะไป แต่แล้วสภาวธรรมเนี่ยมันจะสอนธรรมะเราเองสภาวธรรมทั้งหมดจ ะ, สะแสดงไตรลักษณ์สแสดงความไม่เที่ยงสแสดงความเป็นทุกข์สแสดงการทนอยู่ไม่ได้ใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมใจ แ, แอบไปคิดรู้สึกไหมขณะที่มันไปคิดหรวอบอกไหมเราลืมตัวเราเองขณะเนี้ยจิตเกิดความสงสัยอยากรู้ขึ้นมาทราบไหมไม่หัดดูของตัวเราเองนะนี่หัดอย่างนี้หัดดูของจริงในตัวเราเอง ถ้าดูเป็นเราก็จะภาวนาเป็นในของจริงที่เราไปเห็นเนีย่ยมันสอนธรรมะเราตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนเลยนะเราะนั้นพวกเป็นพวกมหายานี่ชอบพูดบอกพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาในจิตนี้ได้แสดงธรรมตลอดเวลาเลยแต่เราก็ได้เงี้ยวหูฟังเพรานั้นถ้าเราเปิดใจขึ้นมาเราก็จะได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงตลอดเวลาในจิตนี้แหลแสดงธรรมเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลแสดงเรื่องกุศล เดี๋ยวก็จิตเป็นปอกุศลแสดงเรื่องอกุศลเห็นไหมสอนธรรมะทั้งหมดเลยเสร็จแล้วท่านก็สอนต่อไปอีกนะว่าอกุศลก็ไม่เที่ยงอะอกุศลก็ไม่เที่ยงเห็นไหมนี่จิตเราแสดงธรรมะให้ปังจิตนี่แหละคือสุดท้ายด้นยทางฝ่มหา ย, ยานที่านพูดบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาเขาก็ดีเหมือนกันนะแต่ ว, ว่าเขาเอาธรรมะเนื้อหาของธรรมะไปปลอมไปดัดแปลงใส่เปลือกเ ข, symbolic, ข้าไปใส่สัญลักษณ์ก็เป็นใส่สั ญ, ญลักษณ แพื่ให้คนทั่วๆไปฟังแล้วทราบตื้นๆหัวตื้นใจถ้าเราพูดว่าจิตจแสดงธรรมตลอดเวลาฟั ง, ง, ง, ง, งแล้งงๆฟังแล้ก็ไม่ค่อยอยากสนใจนะถ้าบอกพบพเขาพุทธเจ้าจแสดงธรรมทั้งวันทั้งคืนเหมนน่าสนใจเป็นพิธีหลอกลอ่ลอกลอ่ลอเข้ามารู้หงอีกแล้วรู้สึกไหยใจมัดีไปบังคับตัวเองแล้วทราบไหมมาเรียนนะสภาว่าผู้แรกที่เาขาสอนหรือไปกับบงังคับไว้ คนนักปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่เบอร์ก็บังคับยิ่งเป็นนักปฏิบัติฝีมือดีก็คือพวกบังคับเก่งบังคับไว้ก็คือหักตากีฬลศาสตร์ด้ยโยกบังคับกายบังคับใจไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานแต่ชอบทาที่สุดเบอร์ห้าสิบเอ็ดนะรู้จักใจลอยอยังนึก อ, ออกไหมว่าวานันวันถึงใจเราหนีไปแบบนี้บ่อยๆถ้าถ้าถ้าถ้ถถถามองเห็ น, นว่าใจเราหนีไปทั้งวนันทั้งวนัน จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดอย่างหลวงพ่อชอบพูดไเรื่ อ, อในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวมีแต่คนหลงบางคนถามว่าหลวงพ่อใส่ล้ายป้าสีเหมือนพระอะไรใส่ร้ายป้ายสีภาวนาะรู้สึกตัวเป็นแล้วเราจะรู้เลยเราหลงทั้งวันหลงอีกแล้วทราบไหมมันลืมตัวเองใจมันมันอยู่ที่หลวงพ่อนขณะ น, นี้ใจเกิดความสงสัยทราบไหมเราไม่เห็นเหนเลยเราเว่อร์แคิดคิดคิดไปอย่างใจสงสัยเราไม่เห็น หรวตั้งใจฟังเราไม่เห็นีนี้การรคิดมนกั่ะเหมือนกันการคิดไปก็คือหลงแบบหนึ่งเป็นแบบหนึ่งของการหลงไปเพ่งเอาไว้ก็หลงนะเรียกให้เต็มก็ชื่เรียกว่าหลงเพ้งอยู่ลยหลงเพ่งหลงกําหนดหลงควบคุมบังคับเลยหลงตั้งนัยเวอร์สีหลงแล้วทราบไหมคุณบรรณาเป็นยังไงลิศ หลงยังหลงไปอยยังไรือไม่หลงเยอะไหมยเยอะแล้ว บ, บอ่อยเออบ่อยดีนะรู้อย่างว่าหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่าชีวิตเราที่ผ่านมาหลงตลอดเลยดีล่ะรู้สึกไหมพอมีสติจิตก็เป็นคุณสนนะนะจิตอ่อนโยนจิตเบาจิตรุ่มนวลจิตห้่งไวไห้ซึงไม่ทึง เอออีกแล้วทราบไหม ừ, ừ, หันรูไปหน้แล้วนี่หลังเสื้อสีสม้มใบไม้บ้านอยู่แถวนี้อยู่ประจวบชวลบุรีน ด, ดไปเรียนที่หัวหินก่อนเดินไปซะบ้างสิม <c ười> ีประจวบมาเรียนที่เมืองชนใสไปไที่หัวหินก็มีร้าดีนะ ชื่อหลวงพ่อมรีพัชโลเลยต้องอัดใต่เทฟไม่ไ้ด้านฝั่งเพราะท่านอคอยโฆษณาอย่างนี้เรยคนไปหาท่านเยอะนะทกรธไปหาหลวงพ่อปราโมกมือนชนวน้าดีก็มีนะอาจัรตันยูสำนักตรงคุอเดียวกมหน้าดีโยมเป็นเงินบ้างอาลูกสาวมาเด็กๆมัจะเรียนเร็วลูกเด็ก หัวใจของเด็กนี่นมัป็นหัวยใจที่พร้อมสําหรับการเรียนรู้หัวใจของผู้ใหญ่เนี่ยเรียนรู้อะไรใหม่ๆยากแล้วเด็กๆเวลาแั่งกิจในเด็กเล็กๆเวลามันสนใจอะไรมันอยากรู้เท่านั้นมันไม่ได้อยากอย่างอื่นเวลามันสนใจและอยากรู้ส่วนผู้ใหญ่เนี่ยอยากดีอยากอะไรที่ชัดแจ่มากเลยอยากปีอยากสูกอยากโนนอยากนี้เยอะ ผู้ใหญ่แล้วมีลักษณะคล้ายๆชาล้นกล้วยหรือชาเกือบเกือบล้นกล้วยมีข้อมูลเก่าเยอะเพราะฉะนั้นจะเรียนสิ่งใหม่ๆได้ช้ากว่าเด็กเห็นไหมเด็กจะเรียนรู้อะไรได้เร็วมากแเด็กมาเรียนซืยย่อๆผู้ใหญ่เวลาฟังอย่างฟังหลวงพอพูดเนี่ยจะต้องเทียบไปด้วยไปเรียนวัดโ น, น้นว่าอย่างนี้วัด น, นี้ว่าโน้นับลาเล่มนั้นว่าอย่างนี้คิดอยู่แค่ไหไม่เข้าใจหรอก ไม่ต้องฟังให้เข้าใจนะหันรู้สภาวะไปแล้วก็เ mm. ข้าใจเอาเองหลว่อไม่ได้สอนธรรมะธรรมะสอนกันไม่ได้ธรรมะต้องไปเห็นเอาเองเบอร์แปดสิบเก้ารู้จักใจลอยอยัง mm. เออเจ็บ okay. มาวันแรกรู้จักใจลอ ย, อยไม่ขัดคุญละ่ะใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมอันเด็กนี้นะหันรู้สภาวะไปเรื่อย เ, อยเด็กน่าเนี่ยรู้สี่ปีแล้ว ข้าวกลุ้บาไหมกล้าคุยกับหลวงพ่อไหมกล้าเลยเนอะโอ้ติคนี้เก่งนะเคยรู้สึกไหมแต่ละวันรับแม่ไม่เท่ากันบางวันรักมากบางวันรักน้อยหรือว่ารับเท่ากันทุกวันรันีุควนโ้โฆษณาชวนเชื่อกลัวแม่เสียใจเคยถูกแม่ดุไหม แม่คนนี้ไม่เคยดูเลยเ<ะ>ออเวลาถูกไม่ได้มากเลยมีหน้าอนะไรรักแม่มากวเวลาถูกดูเนี่ยรู้สึกยังไงสดชื่นไหมเวลาถูกแม่ดูไม่รู้สึกเลยเหรอ<ะ>แสดงว่าแม่คนนี้ไม่ค่อยจะดูเลย <c ười> <c ười> มีเด็กคนนั้นสิบเ็ดขวบ้ะแม่ตอบ โชวช่ชวแล้วผู้ใหญ่ฟังแล้วกลัวเลยนี่เล็กไป น, นิดสมงทัยพุทธการไม่รู้ท่านสอ น, นอยังไงเนะี่เจ็ดขั้วครัน่าตรงกันต้างนะอะไรนะนิดหน่อยงั้นต้องให้แม่ดูเยอะๆอีกทดเห็นชัดๆ <c oughs> เพราะว่าอะไรนะ เรออ๋อถูกนะดูก็เสียใจเมื่อเด็กรู้จักาะว่าเสียใจเห็นไหมนี่ก็สภาวะคำนะมีจริงธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกรับเลยความรู้สึกทั้งหลายความรู้สึกปีใจเสียใจรุ่มใจคนโบราณมีคำว่าใจใจเยอะนะคนไทยนี่เก่งประณีตในเรื่องการดูจิตมากเลาเข้าไปรวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกนี้ได้สองร้อยกว่าคํา อยู os, ่ส่วนปัวแล้ว菩萨เกนั่งเปิดก็จะนั่งรวมๆไว้นะแล้วไปคุยบทก็มีโยมขอดูนะเลยเอาไปเลยหายไปเลยไม่รู้ไปดีใจเสียใจขุ่ใจกังวลใจกลัวเป็นสุขใจเป็นทุกใจบิดาอาคาดพยาบาทแค้นใจมีเยอะมากเลยรื้อใจมีเยอะนักเลย ลองนั่งให้คิดคนละคำรู้คิดได้ทั้งวันนันเยอะความรู้สึกทั้งหลายตอนนี้ความรู้สึกอะไรกําลังเกิดไปรู้ไปเรื่อยๆแค่นี้แหละไรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆและความรู้สึกทั้งหมดแสดงใจรักเองเช่นไปถูก่วยมาดีใจดีใจแต่ดดเดียวๆก็หายมีความสุขแเดียวๆมาป้าเป็นไงป้า อไมเนี่เไม่ไม่ไม่ใช่ตัวเราอืมันเคยเกิดแล้วต่อไปมันจะแค่ขีข <Yeah> ึ้นีขึ้น รู้สึกเลยเลยจะไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราสักนิดเดียวเลยในกายในจิต้ไม่มีเราสักนิดเดียวดีลวพ่อพอภาวนาดีหน้าที่นะหัรู้สภาวะไปเรื่อยๆดูไปเออเอ อ, เ อ, อ เออสบายใจเออนี่แหละเมื่อวานหลวงพ่อต้องสอนบอกว่าหลวขพ่ อ, อทำกรรมฐ า, านกระทั่งการฉีแต่ไม่ได้ใช้ฉีเป็นวิหารธรรมนะเพราะ <c oughs> ไม่มีปัญญาจะฉีตลอดเวลาตอนทำงานเนี่ยโอ้หัวหมุนชิ้ๆแล้วคิดอะไรไม่ออกแนละ้วเด็กตเองด้วยการทาเดินไปห้องน้ำตอนลุกขึ้นมาเนี่ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหว ดูจิตยังไม่ไหวม่วนซัวไปหมดแล้วสังเกตเลยเวลาเรานั่งต้องอยี้อยู่เวลาเราจะลุกเนี่ยสิ่งแรกที่เราขยับคือมือขยับมือก่อนนะถึงจะค่อยขยับตัวขยับขาอะไรเดินไปห้องน้ําเก็นร่างกายเดินไปฉี่ยังเห็นร่างกายยืนฉี่นะฉี่ไปนิดๆหน่อยๆเริ่มสบายใจนี่กลับมาดูจิตได้แล้วการเดินกลับมาโต๊ทํางานนี่ดูจิตกลับมาได้แล้วนั่นแหละเห็นไหมกรรมฐานไม่เลือกนะเวลา ทำอะไรให้ได้หมดเลยเราเริ่มรู้สึกข้างนอกเป็นทุกข์นะข้างในเป็นสุขแล้วก็้าติเกชอบข้างในต่อไปต้องแก้ละแต่ตอนที่ปล่อยไว้ก่อนไม่เสมอภาคกันมันยังไม่เสมอกันจะยันหนีโลกนะ การที่เราเรากระทบอยู่กับโลกเนี่ยขัดสนเนี่ยเป็นทางมาของกิเลสก็จริงนะแต่ปัญญาก็มาทางนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่หนีเราก็อยู่กับโลกได้กระทบอารมณ์ไปแล้วก็รู้ของเราไปเหมือนเราไปฝึกดูของเราอยู่ทั้งวันอยู่กับโลกไปถ้าหนีหนีไปเลยไม่ดีอะไรก็ตั้ง <c oughs> อะไรนะอาเพื่อเอ่อี่จมาป็นนี้ถ้อย่าง้ไ่อไปสอนเขาเยียเิงไปสอนใหร้รู้แค่ว่ามัททำงานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราเกิดเกิดดับดับของมันเองดแค่นั้นสอนะะบาอคนพอไปพูดธ่ามะา็จิตเสียเลยบาคนเสียตั้งนานเลยเราตัวรอดก่อนเบอร์แปดสบสามคนนี้พากบ้ามาบ่อยๆดีนะ คือไปสุาีมาให้รู้ทันแลชอบแล้วอรู้จะชอบไ่อาดเยัชอบีตวาตัวเนนานีควอที่ดีดอที่ภาวนาอยู่ได้มันภาวนากั น, นาช่วงหนึ่งได้ถึงจุดที่สติเกิดเองเกิดได้เองสติเกิดเองใจไม่ได้ไปทาอะไรใจเป็นคนดูนั้น กายกับใจของเราแสดงธรรมให้ดูทุกวันอย่างนี้ดีนะเวลาโทสะเกิดเวลาโทสะเกิดก็ไม่ได้ทำอะไรมันแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรถ้าจะทำสมถะเวลาโทสะเกิดก็พยายามมองไี้คนที่เราโกรธเนี่ยมองในแง่ของความเมตตาให้มากขึ้นอย่างมันมาด่าเราเกเรหาเรื่องเราเรื่อยเรามองในแง่ที่ว่าโอ้ คนนี้ถ้าจะลําบากนะอย่างบางคนเรารู้ชีวิตเขาลําบากมากเลยเขาก็เลยอารมณ์ร้ายมาระบายใส่เราเเอะไรเพอใจมันสงสารนะมันเมตตาสงสารมันไม่โกรธล้ะหรือสู้ไม่ไหวก็เดินหนีไปนี่อย่างโรคๆนะเดินหนีไปอย่างเจริญเมตตาขึ้นมาในไนี้เป็นสมถะอีกอย่างหนึ่งใช้วิปัสสนาดูความรู้สึกโกรธที่เกิดขึ้นจะเห็นอะไความรู้สึกโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอง ใจแต่เดิมไม่โกรธอยู่ๆความโกรธก็ไหลเข้ามาไหลมาเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเรานะผ่านมาแล้วก็มันก็ผ่านไปดูแค่นี้ไม่ต้องไปอยากให้หายโกรธแต่ว่าต้องอสื่อศีลห้าไว้ก่อนนักปฏิบัติต้องมีศีลห้านะเพราะงั้นถึงโกรธขึ้นมาก็ไม่ไปฆ่าไปตีไปด่าเขาแต่ว่าพอความโกรธขึ้นมาเราก็ไปดูดูซิความโกรธจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่ใช่ดูให้หายนะบางคนเข้าใจผิด พอความโกรธเกิดขึ้นมาก็โกรธน้อโกรธนออให้หายไม่จําเป็นหรือพุโทโธพุโทโธให้หายไม่จําเป็นเราดูของจริงว่ามันจะหายไม่หายาก็ดูของจริงอย่าไปคิดมันอย่าไปคิดไม่ความโกรธเกิดขึ้นหรือความรู้สึกใดใดเกิดขึ้นเหมือนกันรู้ไปเรื่อยๆเขาสือครูของเราทั้งหมดเลยครูสอนก็เป็นครูนะครูสอนก็เป็นครูสอนใจรักเท่าๆกัน เอาโยมผู้ยญิงนั้นไปยส่งกันบ้านทุกครั้งเอาซะหน่อยคนสุดท้ายครัอือดูความเปลี่ยนแปลงไปนะเอออย่าไปหยุดอยู่กับอันแดานิดดูความเปลี่ยนแปลงไป อย่างกายเนี่ยจริงๆก็เป็นกองกระดูบมันก็เห็นถูกเหมือนกันแต่ไม่ใช่น้อมเข้าไปให้มันนิ่งนะแต่ถ้ามันเห็นเองไม่เป็นไรแต่ถ้าน้อมไปพิจารณาเป็นกระดูกกระเดิอะไรเป็นสมถะแต่ต้องสังเกตนิดหนึ่งระวังนิดนึงพอที่ใจเรามันไปรู้ไปเห็นสภาวะอะไรตรงที่เบาๆเนี่ยอย่าไปหลงติดกับมัน ถ้าใจเราไปเพลินมึดแบบความเบาๆตรงนี้จะติดสมถะเลยเราะฉนั้นให้มันเคลื่อนไหวให้ไม่นกระทบเพราะฉะนั้นอย่างเราดูกายเห็นกา ย, เ ป, กายเป็นกระดูกนี่เป็นสมถะแต่ถ้ามันเป็นความรู้สึกนี่มันเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งนะมันไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้ารู้สึกเึ็กระดูกแล้วใจแล้วเบาๆนี่เป็นสมถะอย่าเบาๆคิดปกติเสร็จแล้วเราไม่ต้อสมีติดใตัวเบานี้มา ถ้าอย่างนี้จะเป็นติดสมถะได้แต่ถ้าดูเป็นกายที่กองอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเราเลยนะเป็ความรู้สึกรู้สึกอยู่แล้วแต่เนี้ยมันเป็นกองกระดูกแต่ใจไม่นอ้อมเข้าไปหาความเบาใจเป็นปกตินี่จดูดูอยู่ ด, ยดูไปไม่มีตัวเราถ้าสังเกตความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าความรู้สึกแต่ละวันไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะเ น, นี้ยติดสมถะแน่นอนระวังตรงนี้ก็แล้ว ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะเดีย๋ยไปเกาะนิ่งๆกับดวงดวงนั้นมันจะมีหรือไม่มีช่างมันนี่เ ด, ด, ดี๋จะติดสมบัติติดใกล้จะติดสมบัติล้วเริ่มน้อมเข้าไปหาดูออกไหมไปหาความสุขความสบายแล้วนั่น ะ, นะัมันเริ่มสบายแล้วมันไปพอใจเขา้านั่นให้ดูตรงนี้นะเดี๋ยวไปต่อไม่ได้เราจะติดอยู่แค่นี้ดีละ ดีแล้วนะได้ขนาดนี้จริงๆขนาดนี้ไปสุขสันสบายๆ<บ>แลยแต่จะเอาที่ผ่านมาอีงอย่างเข้มแข็งไว้